ตอนที่เจ็ดได้พบและศึกษาอยู่กับพระอาจารย์มั่นจากนั้นพันจรแรมรอนจากวัดโคราช มาพักยังบ้านตาดบ้านเกิดและเมืองนอนพาก่อนหลับนอนอยู่หลายราตรีสืบหาพระจารมั่นไปจนล่วงเขาเขตวัดป่านนนิเวศจังหวัดอุดรธานีวางาที่จะมีทางพบดังใจ แต่พระอาจารย์มั่นถูกนิมนต์ไปก่อนไปสกลนครก่อน่าไม่นานเท่าไรเลยไม่ได้พบผ่านท่านเหมือนดังว่าจึงตัดสินใจไปอยู่วัดทุ่งสว่างจังหวัดหนองคายไปพลาง Hang ram, you three months qua, my mung na, deen thang ang พฤ้ภาสองสหจึงเดินทางมาสกลนนะครฟันฝ่าเข้าป่าดงดอนไม่เคยอาทรมุง่งหน้าจรไม่อ่อนหัวใจที่วัดบ้านโ ตองพกตำบลเขตเมืองสะกลนั้นเป็นผลจนได้เพราะได้เจอพระอาจารย์มันเหมือนดังฝันไฟเมื่อตอนใกล้คำจดจำใส่ใจท่านถามท่านใดใครมาพอดีท่านออกจากทางจงกรม แล้วพาไปบนศาลาท่านได้ทักทายปราศัยด้วยใจเมตตาเอื้อเฟื้อเอ็นดูแต่สิ่งหนึ่งที่กลัวจนขนหัวลุกสู้ดูหวาดวิตกถึงขนาด อ, อกจะแตกก็คือไม่อยากได้ยินคำว่าที่นี่เต็มแล้วรับไม่ได้คอยกลั้นลมหายใจฟังคำจากพระอาจารย์มั่นจนเหงื่อการแทบไหลในที่สุดพระอาจารย์มั่นก็พูดขึ้นว่านี่พอดีนะนี่เมื่อวานท่านเนตรไปจากที่นี่ แล้ววันนี้ท่านมหาก็มาไม่เช่นนั้นก็ไม่ได้อยู่เพราะกุฏิไม่ว่างท่านฟังด้วยความหวาดเสียวและหวั่นไหวหัวใจจะหยุดเต้นเอาให้ได้ในขณะนั้นสุดท้ายก็แช่มชื่นจนตัวเบาเหมือนยกภูเขาออกจากอกท่านได้เห็นการปฏิบัติและการแสดงธรรมของท่านพระอาจารย์มั่นท่านก็ยิ่งเกิดความเคารพนอบนบเธอทูลบูชาในพระอาจารย์มั่นจนหมดหัวใจและเมื่ออยู่กับพระอาจารย์มั่นได้ไม่กี่ราตรี ตกกลางดึกของคืนวันหนึ่งท่านนอนหลับและได้นิมิตอีกครั้งหนึ่งในคืนวันนั้น